ส่วนถ้าศึกษาปริเฉตสองไปแล้วนะถ้าปริเชตสองก็เริ่มมาคิดต่อไปว่าเออถ้ามหากุสุลจิตแปมีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยบ้างอันนั้นเป็นการฝึกปริเชตสองเลยนะหรืออกุศลจิต12มีเจตสิกดวงใดเกิดร่วมด้วยบ้างถ้ามหากิริยามีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยบ้างอันนั้นก็เป็นการฝึกฝึกที่จะคิดเจตสิกทั้งหลายว่าเกิดร่วมกับจิตนั้นๆ แต่ถ้าหากว่าเราเรียนมาเฉพาะเจตสิกอย่างเดียวเลยนะโดยที่ไม่ไ ม, ไม่เน้นหรือในเบื้องต้นไม่ได้มีการวินิจฉัยจิตก็จะยากเหมือนกันที่จะพิจารณาเจตสิกได้ว่าภาษาเกิดร่วมกับเจตสิกใดบ้างเนี่ยนะศรัทธาเกิดขอไปภาษะเกิดร่วมกับจิตดวงใดบ้างศรัทธาเกิดร่วมกับจิตดวงใดบ้างเนี่ยนะก็จะได้เป็นข้อมูลในการฝึก แล้วพวกนี้ถือว่าเป็นบาทของการศึกษาพระไตรปิฎกเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยนะโดยเฉพาะพระสูตรเนี่ยนะแล้วก็ถามว่ามีผลตอบถ้าจะเรียนพระวิ น, ยนัยนะการพิจารณาพวกนี้สําคัญไหมบอกสําคัญเพราะพระวินัยเนี่ยท่านจะกล่าวว่าสิกขาบทเนี่ยมีกุศลมีอกุศลทำให้มีจิตดวงไหนทําให้ล่วงบ้างอย่างหนึ่งหรือเวทนาใดเนี่ยเป็นปัจจัยให้ล่วง พระวินัยบ้างเพราะฉะนั้นท่านก็จะอาศัยการศึกษาพระอภิธรรมเนี่ยเป็นพื้นทําให้เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นสมุทฐานให้กุศลและอกุศลหรือให้ล่วงกายวิญยัติวจีวิญญตัตเนี่ยเกิดขึ้นก็เท่ากับเป็นการศึกษาธรรมะในส่วนส่วนของพระวินัยจริงๆแล้วพระวินัยก็เน้นที่เนี่ยกายวิญญัติและ ว่าจีวินยัตนะเพราะว่าพระวินัยโดยทั่วๆไปก็คือเรื่องของกายและวาจาเนี่ยนะซึ่งกายวาจานี้เป็นตัวจิตตะชรูปดงนั้นการศึกษาจิตตะชรูปก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นสมุทฐานเนี่ยนะที่จะมาวิเคราะห์มาเพ่งอันในกามาวจนจิตเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตในในกามาพบนะนับตั้งแต่อะไรขึ้นมานรกจนถึง สวรรค์ชั้นปรนิมิ ต, วตาวตสวัสดีเนี่ยนะในในตั้งแต่นรกถึงปรนิมิตาวตสวัสดีโดยมากจิตมีอยู่มีอยู่เท่านี้เว้นไว้แต่บุคคลในตั้งแต่มนุษย์ไล่ไปจนถึงเทวดาเนี่ยนะก็จะค่อยๆเพิ่มทีละอย่างถ้าจะเพิ่มนะเช่นว่าบุคคลนี่มาทำฌาน ได้ชามที่1ที่2ที่3ที่4อันนี้ถ้าจะเพิ่มได้หรือไปทําอรูปประชามที่1เนี่ยนะอรูปประชามที่2อรูปประชามที่3อรูปประชามที่4มันจะเพิ่มทีละ1น่งนะมันจะเพิ่มมาทีละ1เท่านั้นแหละหรือถ้าจะเกิดมรคอะไรขึ้นได้บ้างมรคที่1มรคที่2มรคที่3มมรคที่4คือสามารถที่จะเกิดมรคได้บ้างแต่ปกติแล้วจะมีเนี่ยไม่ จิตทั่วไปถ้ายังวนอยู่ในการมภูมิจะห้าสิบสี่ดวงนี้เท่านั้นเนี่ยนะแต่ว่าจิตประเภทนี้นะจิตที่เกินมานี้เรียกว่าอุตตริมนุสธรรมนะคือคือธรรมที่เกินมนุษย์เกินเทวดาแลว้วอย่างนั้นเถอะคือระดับตัวปรปถมชาญเป็นต้นนี่ถือว่าเกินเกินมนุษย์เกินเทวดาก็เลยเรียกว่าอุตริมนุสธรรมถ้าพระภิสุอวดว่ามีคุณอันนี้อยู่ในตัวประสงค์จะอวดด้วยอำนาจโลภะเนี่ยนะ ก็ปาราชิกก็แปล ว, ว่าท่ายแพ้นนนเ น, นี่ ย, น, ยนะก็โดยการนับไงแต่ว่าจริงๆแล้วบุคคลเนี่ยจะเขาจะมีว่ามีสามารถมีได้หนึ่งไหมคือจะไล่ค่อยๆบางคนได้เฉพาะปฐมฌานบางคนทําคุณขึ้นสูงไปได้ทุติยฌ า, านบางคนทําคุณยิ่งขึ้นไปได้ตติตยฌานเนี่ยนะแต่ว่าเรียกว่าฌาน8ปดแก่ คือเป็นคําโวหารที่ใช้กับบางคนที่คิดสามารถเจริญได้บริบูรณ์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนต้องได้ทั้งแปด น, นะบางคนก็อาจจะได้ปฐมฌานแล้วปฐมฌานก็แบ่งเป็นอย่างอ่อนอย่างอย่างกลางอย่างประณีตนี่นะอย่างอ่อนก็นําให้เกิดปฏิสนธิในพรมประเภทบริษัทชาปริษัทก็คือบริษัทนะเป็นพรมบริษัททั่วๆไป ถ้าชาเนี่ยมีกำลังมากกว่านั้นเป็นประเภทิติพาคยะเนี่ยนะดารงอยู่พวกนั้นจะเป็นพรหมประเภทปุโรหิตเนี่ยนะพรหมปุโรหิตพรหมผู้มีความคิดนะนะส่วนพวกที่ชำนาญในปฐมฌานมากต้องการก้าวไปสู่ธุติยะฌานแต่ยังทำธุติยะฌานไม่ได้พวกนี้จะเป็นปฐมฌานที่ประเน็พวกนั้นนำเกิดในมหาพรหมเนี่ยมีอายุหนึ่งมหากัตนะ์เนี่ยนะแล้วก็ แล้วแต่ความขีดความสามารถของของของฌานในจิตของบุคคลนั้นๆด้วยเนี่ยนะว่าประณีตแตกต่างกันขนาดไหนแต่ว่าอุตริมนุษยธรรมเหล่านี้คือตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะก็บาต ท, ที่สําคัญคือมหาวิบากญาณสัมปยุตถ้าไม่ได้มหาวิบากญาณสัมปยุตเนี่ยนะฌานในคุณธรรมชั้นสูงเกิดไม่ได้เนี่ยนะทีนี้มหาวิบากญาณสัมปยุตก็เกิดจากมหากุศล ยาณสัมปยุตมันพื้นฐานสำคัญที่สุดให้ทานก็ยังไงยังไงเบื้องล่างก็ปรารบกรรมเป็นเบื้องหน้าตั้งคำถามว่าการให้ทานที่รู้กรรมและผลของกรรมกับให้ทานและปรารถนาผลเนี่ยนะต่างกันหรือเหมือนกันให้ทานและรู้ผลแห่งการให้อันนี้มีกะปรารบกรร ม, มสกตาเป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าให้ทานแล้วต้องการผลคาว่าต้องการผลเนี่ยสาธุ โดยเดทแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าถูกลอตเตอรี่อยังไงเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญแล้วต้องการผลถ้าอันนั้นเน่ยเป็นโลภะแต่ทําบุญแล้วรู้ผลเป็นปัญญาอ่านะทำบุญแล้วต้องการผลเนี่ยนะก็คือทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อวัตถุกรรมเนี่ยนะพวกนั้นอนะ่ะโดยมากเป็นอกุศลแต่ก็มีคนที่ทําบุญแล้วปรารถนาเพื่อจะเอาวัตถุไปทําบุญอีกครั้งหนึ่งอนะขอให้อ่า วิบากอันนั้นเกิดจะได้ทำกุศลในส่วนนั้นๆเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้ามีทรัพย์ข้าพเจ้าจะได้พิมพ์พระไตรปิฎกล้านชุดอย่างนี้นะ ถ, ถ้าลักษณะแบบนี้นะคื อ, คอต้องการที่จะเป็นเครื่องมือในการทำบุญชั้นสูงพวกนกี้ก็อีกประเด็นหนึ่งละางเงนเถอแต่ว่าปกติแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยวัตถุกรรมเกิดกับบุคคลใดไม่กี่คนล่ะที่จะน้อมไปเพื่อทากุศลถ้ามีวัตถุกรรมเนี่ย โอ้โหถ้ามีที่นอนดีๆนะฉันจะนั่งกรรมฐ า, านทั้งคืนอย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยไหมไม่ค่อยคิดใช่ไหมคุณนภาคิรู้ไ่าอาจจะคิดก็ได้นะโมทนาด้วยนะถ้าคิดถ้าคิดนะอนุโมทนาด้วยอย่างนั้นเลหรือว่าเออเนี่ยถ้าซื้อเครื่องเสียงอันนี้มานะจะฟังแต่ธรรมะเลยจะไม่ฟังอย่างอื่นเลยนะก็ลักษณะนี้นะแต่ว่าโดยทั่วๆไปเขาซื้อเครื่องเสียงทาไมอันไหนที่มันจะเปิดเพลงได้ดีที่สุดอะไรอยนะ่างเงี้ยก็จะไปคิดงานนั้นน่ะนะ หรือเออซื้อทีวีงานเนี่ยจะไว้ฟังแต่รายการธรรมะอย่างเดียวอนะรายการที่มีประโยชน์อย่างเดียวส่วนไอการละเล่นเป็นต้นไม่เอาซักอย่างอนะน้อยมากที่จะตั้งแบบนี้อยงนั้นแต่เคอก็บอกว่าผลพลอยได้คือเอาไว้ศึกษาธรรมะเป็นต้นนะนะส่วนตัวประสงค์จริงๆก็อาจจะตั้งไว้อย่างอื่นอันจะเห็นว่าผู้ที่มีวัตถุ ก, การมแล้วนะน้อยนักที่จะน้อมไปเพื่อเพื่อกุศลถามว่าเหตุอันนี้เพราะอะไรปกติก็เพราะโลภะ เพราะโลภะที่ติดข้องอ น, นะในความเป็นอิทธารมของวัตถุกรรมอย่างแรกอย่างที่สองไม่สามารถสละได้เพราะตรณีมัจฉิยะเพราะไม่ต้องการให้วัตถุเหล่านี้เป็นสาธานเนี่ยนะไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะอ่ะ น, นะชั้นแรกก็โลภะก่อนถ้าจะให้ก็ไม่ต้องการให้สิ่งนั้นเป็นสาธารณะเนี่ยนะแต่ถ้าจะเอาไปเก็บที่อื่นนะซึ่งยังเป็นของเราอยู่ยังไม่สาธารณะแก่คนอื่นก็ยอมใช่ไ จริงๆอะนะสตางก็ไม่ได้อยู่กับตัวนะตั้งแต่เอาไปฝากไว้ที่ธนาคารแต่ถ้ายังบอกว่าของคุณอยู่อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นของคนอื่นไปแล้วซึ่งมันก็ไม่อยู่ทั้งคู่นะแต่ถ้าบอกว่ายังเป็นของคุณนะอันนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่ของคุณแล้วนะอันนี้ไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามัชชริยะที่ไม่ต้องการให้สาธานแก่คนทั่วๆไปเนี่ยนะแล้วก็การศึกษาพระธรรมก็มีประโยชน์เพื่อเอาไว้เป็นเครื่องวินิจฉัยพิจารณาตรวจตราเนี่ยนะ แล้วก็ที่จะเห็นชัดว่าทั้งหมดที่กล่าวไปคืออะไรย้อนอีกครั้งนะัก็คือทุกขสัตเนี่ยนะเป็นวัตถุที่น่าเพลิดเพลิน น, นนะนะทุกขสัจหรือวัตถุการมนี่ก็คือสิ่งเดียวกันนี่ก็อาศัยว่าการศึกษาการเรียนรู้ในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้ น, น, นเพื่อประโยชน์แก่การมาใคร่ครวญเนี่ยนะการใคร่ครวนเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์แก่การเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายกําหนัดเมื่อคลายกําหนัดจิตก็ หลุดพ้นจากสังขตะธรรมทั้งหลายโดยที่มีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยนะมันชอบมากในอัตถกถาอังคุษท่านบอกว่าจิตหลุดพ้นคืออะไรคือจิตที่ไม่มีสังขตะธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยนะเรียกว่าจิตหลุดพ้น น, นะแล้วก็ก็จริงอ่ะนะเพราะว่าจิตทั้งหลายทั่วทวไปก็มีสังขตะธรรมเป็นอารมณ์ตลอดนะมีขณะไหนบ้างเอาของเราไม่มีมีอสังขตะธรรมเป็นอารมณ์อ่ะนะเมื่อไหร่บ้างอ่ะนะ ถึงอสังคตะธรรมที่เป็นบัญญัตินะก็อาศัยวัตถุที่เป็นสังคตะนั่นแหละเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานเป็นบาสนี่นะเพราะฉะนั้นจิตที่หลุดพ้นจริงๆก็คือจิตที่พ้นจากสังคตะธรรมทีนี้จิตที่จะพ้นจากสังคตะธรรมเนี่ยนะต้องรู้ภัยของรู้โทษ ร, รู้ภัยของสังคตะธรรมนะจึงจะพ้นจากสังคตะธรรมเพราะถ้าไม่เห็นภัยจริงๆนะี่จิตทั่วๆไปไม่ต่างอะไรจากปลิงเกาะทรายมันก็ติด เกาะข้างหน้ามันก็ติดข้างหลังนะเกาะข้างหลังมันก็ติดข้างข้างหน้านะเกาะไม่ยึดแล้วสีฝังเสียงแทนเนี่ยนะไปมานสิการเสียงไงเลิกไม่สนใจแล้วเสียงกับมานสิการกลิ่นบ้างมานสิการทวารเดินบ้างแค่สับได้เฉพาะเปลี่ยนทวารแต่ไม่สามารถจะออกจากสังขตะนิมิตสังขตะอารมณ์ได้โดยประการทั้งปวงแต่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เบื่อหน่ายในสังขตะธรรมเหล่านี้ก็ไม่ไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะเกาะ ก็ขอไปเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยจากสังคตะธรรมแล้วจิตน้อมไปหาอสังคตะธรรมแต่ว่าผู้ที่เห็นหรือรู้จักสังคตะธรรมเป็นอย่างดีว่าสังคตะนะแปลเป็ น, นไทยว่าอะไรจ้าใ้ตอนสังคตะสังคตะโถอันปั จ, จัยปรุงแตง่ง น, นะอาศัยการเกิดขึ้น น, นะก็คือคือสิ่งใดก็ตามนะที่เป็นสังคตะธรรมนะสิ่งนั้นอันปัจใจปรุงแต่งขึ้น อาศัยการเกิดขึ้นซึ่งต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาหรือแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็น้อมไปหาสิ่งที่เป็นอาสังคตาธรรมเนี่ยนะ ก, ก็บอกว่าจิตนี่ต้องหดกลับจาก สังคตะธรรมทั้งมวลได้นั่นแหละเนี่ยนแต่ก็ไม่ใช่ไปสันหายมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่หลืบเขาตรงไหนหรือเปล่าอาสังคตะธรรมเนี่ยนะหรือมันแง้มแง่มแบบอากาศธะท่าหรือเปล่ามันเป็นช่องว่างของสังคตะธรรมไม่ถ้าไปครั้นไปไข่ครวนไปค้นคิดแบบนั้นก็ไม่มีทางเจออีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะแทงตลอดอสังคตะธรรมก็คือการรู้จักโทษภัยของสังคตะธรรมแล้วจิตเนี่ยม้วนกลับงอกลั บ, ลบจาก สังคตะธรรมแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่มหดอยู่ที่จิตอันนั้นอีกอันนี้แหละจิตอันนี้แหละใช่และสังคตะใช่ไหมจิตจิตเป็นสังคตะหรือสังคตะสรุปปะจิตเป็นสังคตะหรือสังคตะสังคตะเออจะเสียคนทำงานนี้อย่างนี้นนไม่ใช่เสียพระก็ได้มันคิดเป็นคนละมุ พอแล้วพอแลต่อไม่ได้ยิ่งต่อยิ่งผิด น, นะคือเพราะยังไงจิตก็ต้องต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์สัมปยุทธ์อ า, าศัยปัจจัยอีกตั้งเยอะเพราะจิตเป็นสังคตาธรรมแต่ถ้ายังติดในจิตอีกก็ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเจริญไปจนจิตสงบแล้วนี่แหละใช่เลยบอกก็ยังไม่ใช่เพราะเพราะสงบก็คือจิตยังเป็นสังคตาธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเออแล้วสังคตาธรรมก็ยังรักษาอยู่ด้วยนี่นะ แล้วต้องการอาสังคตธรรมด้วยอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะนะนั้นธรรมะท่านใช้คําว่าเมื่อเบื่อหน่ายย่อ ม, มคลายกําหนัดเพราะฉะนั้นต้องเบื่อหน่ายในสังคตธรรมทั้งมวลจิตจึงน้อมไปในอสังคตธรรมเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปแสวงหาอาสังคตะนอกจากสังคตะนอกจากปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในสังคตธรรมเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวไปสรรคิดค้นที่ไหนอีกก็ไม่รู้เนี่ยนะจริงๆก็ถ้าคิดค้นอยู่ก็ค้นสังคตะอีกอยู่ดี เนนะเพราะว่าตรงประเด็นที่สุดที่พระพุทธพจน์ตรัสนะเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วทีนี้สิ่งที่ตรวจสอบได้เลยเมื่อมีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ก็คือไม่มีกามาสะวะภวาสะวะทิถาสะวะอวิชชาสะวะในสังคตะธรรมทั้งมวลเนี่ยนะก็หวังวา่างการศึกษาธรรมะจบ จักเป็นไปเพื่อแทงตลอดอาสังขตาธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งกองทุกทั้งมวลนะวันนี้ก็สมควรกันเวลาสมบูรณ์แบบนะครับลงด้วยอยริอยสัจครับวพร้อมกันนะ ชือของกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปที่ไหนพระพุทธเจ้าจะร่ายมาหมดเลยนะโอฆาโยฆาคันธานิวรณาอนุสัยสังโยชน์กิเลสอะไรจะไม่ได้ร่มาหมดอย่างนี้คือถ้าเจอกับคนนี้พระงใช้อาสะวะรค์กับอีกคนหนึ่งพระองค์ใช้คําว่าโอฆาแต่อีกคนหนึ่งใช้คําว่านิโวนอีกคนหนึ่งใช้คําว่าสังโยต์เนี่ยนะอีกคนหนึ่งใช้คําว่าคันธะเงี้ยคือกับแต่ละคนเนี่ยสิ่งเดียวอะแต่ใช้ศัพท์ที่ไม่เหมือนกัน สาธุสาธุนั่นแหละแม้กระทั่งสติงานนะพระพุทธเจ้าไปที่ไหนไม่ใช่ร่ายหมดเลยว่าสติประธานสีสัมมประธานสีอิทธิบาทสอินทรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดนายมักมีองแปดนะไอ้สูตรที่ร่ายเต็มๆแบบนี้หายากมากมีไม่กี่สูตรแต่ว่าอ้ากับคนนี้แสดงสติประธานไงบคนนี้แสดงสัมมประธานเพราะจริงๆก็สิ่งเดียวกันนะั่นแหละเรื่องเดียวกันนะ่ะนะคือจุดประสงค์เหมือนกันในการแสดง เพราะธรรมะมีมีอยู่4กลุ่ม嘛นะใหญ่ๆมีอยู่4กลุ่มจริงๆคือปริ ญ, ญยาธรรมอะนะทีนี้ปริ ญ, ญยญาธรรมบางสูตรก็แสดงขันบางแห่งก็แสดงอายตนะบางแห่งก็แสดงธาตุบางแห่งก็แสด ง, ง, ง, สดง C, อินทรีย์อนะบางแห่งก็แสดงปฏิจจสมุปาทเลยอะนะส่วนปหาตปรธรรมนี้ก็แยกแสดงกับเป็นเป็นกลุ่มๆไปตัวสัจชิกาตประธรรมก็ใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันตัวภาเวตปธรรมก็ ก็แสดงใช่สัตว์ที่ไม่เหมือนกันเพาอัธยาศัยของสัตว์อันพระสูตรนี้แสดงตามอัธยาศัยของสัตว์เป็นเป็นประมาณแต่ว่าพอแสดงจบแล้วจะมีจุดหมายหรือจุดประสงค์เหมือนกันท่านพร ะ, ะอริยส า, าวกจะไม่ถกกันในเรื่องเรื่องอริยศัตว์นี่นะท่านจะไม่ทะเลาะกันว่าอันนี้เป็นสมุทัยอันนั้นเป็นมรรคอะไรเนี่ยคือรู้จุดประสงค์เหมือนกันหมดจะไม่ทะเลาะกันในเรื่องนี้นี่นะเกิดว่าจะไม่ถกกันในเรื่องสติปัฏฐานเป็นต้นนะเพราะ เอาไม่ใช่เล็กอ่ะใ น, นเรื่องใหญ่เลย ค, คือเราจะมุ่งไปใหญ่ๆแล้วสิ่งเล็กต้องทําไปก่อนคือท่านไม่ได้ติดในคําอะไรมากมายนะแตว่าให้ตรงอ่ะนะคือท่านไม่ติดในคําอย่างเช่นเรื่องเวทนานะพอถ้าเป็นพระย่าสาวกก็เออปริยายโดยเวทนาหนึ่งก็มีใช่ไหมโดยปริยายเวทนาสองออก็เป็นได้มองในแง่นี้ได้โดยปริยายแห่งเวทนาสามก็ได้โดยปริยายแห่งเวทนาหาก็ได้ โดยปริยาแห่งเวทนาหก็ได้โดยเวทนาสิบแปดก็ได้ดเวทนาร้อยแปดก็ได้คือคือมองในแง่ไหนก็เออ ok, แง่นี้ก็ได้แง่นี้ก็ได้เหมือนกับเรียนเรเรียนมหากุศุนมาดีเนี่ยนะจะไม่ถกกันว่ามีแปดวงหรือว่ามีหนึ่งดวงกันแน่เ <IS C 1> ช่นว่าจะนับหนึ่งก็ได้มหากุศลในความเป็นกุศลนับสองก็ได้ใช่ไหมยาณวิปปยุทธยาณสัมปยุทธ น, นับสามก็ได้เนีย่ยนะว่ากุศลอันเนี้ยเกิดทางกาย หรือเกิดทางวาจาหรือใจเนี่ยนะราว่าเป็นทวารไปถ้านับสี่ได้ไหมกันนะก็เอาปริยายต่างๆมานับมองในแง่นี้ก็ได้แง่นี้ก็ได้เพราะในในแง่าการนับเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปถือมั่นมากนะักเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของโวหารที่จะเอามาบัญญัติหรือจะเอามาพลิกแปลงโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยนะ แต่ถ้าใครจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าอย่าไปคุยกับคนอื่นมากและไปยืนยันกับคนอื่นเนี่ยนะคือเอาอย่างใดก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปยืนยันว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้เราจะเดือดร้อนเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดนะเดือดร้อนอะไรรู้ไหมถ้าอย่างอื่นก็เป็นพุทธพจน์อย่างนี้ก็เป็นพุทธพจน์ถ้าเราปฏิเสธพุทธพจน์อย่างอื่นไอ้ตรงยอมรับเนี่ยดีแต่ตรงปฏิเสธอันนี้ขาดทุนอันนี้อันนี้เนี่ยขาดและเสียหายแล้ว เนี่ยนะแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือได้ศัตรูเพิ่มอีกคนนึ่ ง, ง, ง, ง, งเพราะฉะนั้นเวลาจะคุยกับใครนะท่านบอกว่าให้ตั้งเมตตาวจีกรรมไว้เป็นเบื้องหน้าก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเราจะพูดด้วยคำอ่อนหวานจะไม่พูดคำที่ หยาบคายใช่ไหมเราพูดแล้วอ่าพูดแล้วประกอบด้วยประโยชน์จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์มันก็เขบอกว่าให้ตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นเบื้องแรกแล้วค่อยสนทนาเนี่ยนะอย่างเช่นถือว่าท่านอาจารย์เรื่ออะไรถ้าเกิดตอบวันโลงไม่ใช่นะคะเขาจะคนที่กำลังจะถามอะไรแล้วก็หยุดอาจารย์ก็เดี๋ยวังก็มาะจะมีโอกาสอธิบายเออเราก็ทักจะเซ็งๆเออเราพูดครับเดียวก็ผิดแล้วมันก็ต้องยอมรับขันนิดนึงแล้วแต่ไม่ได้ถ้ามันผิดเลยจะยอมรับได้ยังไง ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วจะไปให้ยอมรับได้ยังไงอ่ะเอาอากุศลมาเป็นกุศลนี่ให้อาจารย์บอกใช่เงก็คขาว่าไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นใช่ตรงนี้เดี๋ยวผ่านไปก่อนเจะฟังอันนี้ก่อนเ็าผ่านไปได้แล้ว